เอ่อ uh เขาจะกล่าวหาผู้ที ا ไม่รู้จักศีลธรรมผู้ที่ไม่รู้จักศีลธรรม ب ินนัลฮะมดุ ح م د ลอ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئات ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضلله و من يضلل فلا هاليله وعشر ل ا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا ع ب د ه و ر س و ل ه اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لمات الله ا ل ا مات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء วะฮ س م ะสล ع َ ل ِ ي م رَضِيدٌ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ د ِ ي ن ا و َ ب ِ م ُ ح َ م َّ د ا ل ر َ س ُ و ل َ ا ل ل ه م إ ن ي أ ع و ذ ب ك م ن ا ل ك َ س ل و س و ء ا ل ك ب ر ر ب أ ع و ذ ب ك م ن ع ذ ا ب ف ي ا ل ن ا ر و ع ذ ا ب ف ي ا ل ق ب ر ا ل ل ه م ع ا ف ن ي ف ي ب د ن ي و ع ا ف ن ي ف ي س م ا ئ ِ َ ا ف ن ي في ب ص ر ي س ب ح ا ن َ الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة َ ر ش ه ومداد كلماته يحيو يقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأن كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين حسب الله حسب الله ونعم الوكيل الله مهني أعوذ بك มิ่นอัลบรัสอัลลอฮฺอินนิอ้างุบิกะมิ่น و ัลบรัสอัลอัลจุดามอัลจุนนุนวมิ ل นไซล์อัลอา ن ความวมิ่นไซล์อ ل ลอาซความอัลลอฮฺอินนิอ้างุบิกะมิ่นัลจุนนุนัลบรัสอัลจุนนุนัลจุามวมินไซอลอมินไซอลอมัลมอลัยุมะรมตุลลอฮวะบรกาตุ พี่น้องที่ร่วมนมาซุบอที่มัสยิดของอัลลอ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตัฟซีอัลกุรอานหรืออธิบายอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาลาแล้วก็ดีใจนะที่เราได้อยู่ในเดือนอันประเสริฐอยู่ในเดือนรอมฎอนวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่สิบ อ่สิบวันแล้วนะไว้นะด้วยความเมตตาอาลัอาลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ฝนตกบ้างสงสารคนบวชก็ให้พบกับอากาศเย็นๆห้ามดุลยละพี่ต้องครับในช่วงที่โรคโควิด1 9เนี่ยเข้ามาอัานอลัลลอฮ์ส่งมาจะไม่จมาเองเอลัลลอฮ์บอกให้ท่านนาบีให้นบีมาสอนว่าโรคโควิด1 9เนี่ยคนมุมิน กับคนกาเฟตคนมุมินกับคนกาเฟตเนี่ยมองโลกไม่เหมือนกันคนมุมินเนี่ยปฏิบัติตามนาบีเชื่อนบีนะครับนบีสอนเราว่าเราก็เชื่อตามนาบีเลยมุมินมอ ง, มองโลกโควิดนั่นเป็นราะมะนะครับเป็นความเมตตา ทำโดยแล้วพี่น้องคนที่มองได้อย่างนี้เนี่ยมัต้องคนอีิมานต่ออัลลอฮ์ถ้าไปพิสูจน์พิสูจน์ได้ดูกว่ายิ่งดีใหญ่น่ะถ้าพิสูจน์อะไรไม่ได้เราก็เชื่อตามน บ, บีปลอดภัยก่อนฉะนั้นโรคโควิดนั้นเน่ยเป็นราะมะเราสังเกตสิครับเมื่อเราไม่ได้มานามานสยดวันศุกร์วันอีดจะมาได้หรือเปล่าคนยังไม่รู้นะขอทุเอาต่ออัลลอฮ์ให้เราเดินนมาสยิดนะบางคนก็เสียใจนะร้องไห้ก็มีนะ นะครับแต่มุมลิเนเขาเสียใจรู้กันทุกคนแหละแต่ถ้ามารรอดทดสอบให้อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนี่ก็เ ป, เป็นเป็นสุนาขนาบีเพราะนาบีสอนบอกว่าย้ำคุซูฟีใบตีให้กับตัวอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่แบบไหนครับซอฟิรอนอยู่ด้วยความอดทนอย่าไปทะเลาะ ก, กับใครไปนอนแล้วก็บอกให้ไหม่ให้มีการทะเลาะ ก, กันด้วย มวตสซบันแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากองคเรานะครับกี่เรื่องเสามเรื่องแล้วนะหนึ่งมองเป็นรักะสองกลับตัวอยู่ในบ้านสามอยู่ด้วยความอดทนสี่แล้วหวังรางวัลตอบแทนจากองคเราข้อที่ห้าเนี่ยคนในบ้านเราป่วยหรือคนในบ้านเราไม่ป่วยใช่ั้มแต่เราก็อดทนไม่ออกไปข้างนอก เวลาออกข้างนอกก็แต่งตัวให้มันถูกต้องหน่อยใส่อะไรนะนกลมหน้ากาบให้มันถูกต้องเนี่ยที่เราก็เชื่อหมออนะ่ะเพราะการเชื่อหมอนี่เป็นาศาสนานะหมอสั่งโน้นสั่งนี้นะครับแล้วก็ปิดโน้นปิดนี้นะครับที่เราเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยมีรางวัลเท่ากับ شهيد นี่เราต้องมองแบบนี้นะเราจะมองอย่างอื่นนีไปได้ ผมมองอย่างอื่นแล้วมันเข้าตากาเฟตเลยอะแต่ั้นเราต้องเข้าตานาบับบีเข้าตาอัลลอ์สุบฮานหูวาตาลาขอบคุณอัลล์ะนะเรามาอ่านพูอ่านพี่น้องแล้วก็ทบทวนความหมายเล็กๆ น, น้อยๆนะพี่น้องนะ <c oughs> วันนี้มาถึงสูรอ ฟ, ฟาเติดคำว่าฟาติเนี่ยแปลว่าเนรมิตอ่า er เนรมิตอัลลอ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีแบบมันมีแปลนมาก่อนด้วย ทามุลิลลัคีความสามารถอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى นะครับวันนี้มาอายะที่19ก่อนหน้าอายะที่19บเกนี่ยได้ข้อสรุปบอกว่าอะไรนะวาลาตะซิรุวาซิรอตูวิซรออุคราตรงนี้อธิบายโดยรวมก็คือว่าทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ต้องรับผิดชอบ ตัวใครตัวมันรับผิดชอบเอาเองทีนี้เมื่อรับผิดชอบแล้วนี่นะจะโยนความความรับผิดชอบให้ไปให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้เมื่ออัลลอฮ์สัม่มคนหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบงานของเขาและอัลลอฮ์จะสอบในวันทีม่มอัลลอฮ์จะสอบหมดครับไม่ยกเว้นแม้แต่นบีเองนบีก็ถูกสอบอย่างนาบีเนี่ย อ, อัลลอ ให้งานมาทำงานศาสนาทำครบไหมอลัลลอ์จะถามนาบีแล้วใครเป็นพญาแล้วตัวเราแล้ววันนี้ถ้าเราเป็นอะไรเราเป็นมุสลิมปฏิบัติตามคำสั่งของนบีไหมปฏิบัติตามคำสั่งของอลัลลอฮ์ไหมแล้วก็วางตัวตามที่สุนาัข น, นาบีสอนไหมอลัลลอ์จะสอบหมดในวันเกียมเมื่อสอบแล้วอลัลลอฮ์ก็มีรางวัลให้ ถ้าสอบแล้วไม่ผ่านไปเลยก็ต้องถูกลงโทษกันนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดอยายัดที่ส8บแปดที่ผ่านมานะครับอยายัดที่ส8บ็สอนอีกนะก็บอกว่านามานี่ยอยยาขาดนะว่าอักออุศรอก่อนหน้าที่จัดนามาคือให้กลัว Allah, อัลลอฮเป็นที่ตั้ง ยักเช้านารอบบะฮุมบิลอยให้กลัวอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งจะอยู่ตรงไหนก็ตามให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้กลัวอัลลอฮ์จะอยู่กับภรรยาก็นึกถึงอัลลอฮ์บอกให้เราเตือนภรรยาด้วยนึกถึงอัลลอฮ์นะอยู่กับลูกอยู่บ้านก็ตางเตือนให้นึกถึงอัลลอฮ์นะให้กลัวอัลลอฮ์นะเมื่อได้เวลานมาดก็ต้องนมาดและสั่งอีกว่ามันตะรักะนมาดที่เป็นการซักฟวกหัวใจ ฉะต้องซักฟอกหัวใจให้สะอาดขัดกลาหัวใจให้สะอาดขัดใจว่าขัดขัดกลาหัวใจให้สะอาดทํ า, ใใาทไงอย่าไปเคารพสิ่งอื่นอย่าไปนึกว่าสิ่งอื่นนั้นสําคัญเหมือนกับอัลลอฮ์หรือเท่ากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น mm hmm. เห็นนะครับวิธีซักฟอกหัวใจในอิสลามเนี่ยมันก็แบบเดียวกับที่เราเป็นช่างเวลาสนิมเนี่ยมันขึ้นอะไรนะั้นเหล็ก ขึ้นสนิมใช่ไหมถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยแต่วิธีที่จะเอาสนิมออกจากเหล็กทำไงต้องขัดกันมากใช่ไหมต้องโละต้องถู ก, กันเอาอะไรถกูกระดาษทรายถูหัวใจไม่ต้องถึงก็านั้นหรอกเอาหัวใจเราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็ทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้หมดนั่นแหละเป็นการซักขาอหัวใจที่ดีที่สุดอัลลอฮฺอัลลอรายานาีอิสลามสอนดีมดีกับผ่านคุราน เอา น, นี้มายาที่ชิบคานะครับว่มาจะตัวอลอามาอัลบาซิร์ alhamdulillah ว่มาจะตัวอลอามาอัลบาซรยัตตาวีนี่แปลว่าไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันซาวะแปลว่าเท่ากันนะครับ วามายสตวิแปะว่าไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอัลอามาคนตาบอดวัลบาซีรคนตาดีคนตาดีกับคนตาบอดเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันสังเกตุบนโลกดุนยานีทีนี้อเลาต้องการจะสอนอะไรเราไม่จะสอนเรื่องคนตาบอดกับตาดีนะไม่ใช่ลึกๆ ก, กว่านี้มีอีก อลัลลอฮ์สอนให้รู้ว่าคนกาเฟตอ้ามาหมายถึงคนกาเฟตหมายความว่าคนกาเฟตต้องก่อนจะอธิบายว่าคนกาเฟตวัลบาซีดคนตาดีนั่นหมายถึงคนมุหมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนกาเฟตกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับผู้ปฏิเสธนั้นอ่ะไม่เหมือนกันแค่โรคโควิดมาวันนี้เนี่ยเห็นไหม คนมุมลินมองโรคโควิดเป็นราะมะขณะที่คนกาเฟตมองเป็นอาดาบคนกาเฟตมองเป็นอาดาบมดเลยใช่หรือไม่ใช่แต่มุมินที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมองโรคโควิดเป็นราะมะเดินตามใครเดินตามความคิดของท่านนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาฮามดุลิลละนี่ไม่ใช่คณะใหมนะไม่ใช่วาบีนะ นี่เดินตามคำสั่งนบีฉะนั้นเนี่ยใครที่แอนตี้ซุน่านบีนี่นะครับก็จะมองเรื่องโควิดเนี่ยเป็นเรื่องอาจามหมดเลยอะถ้าเดินตามนาบีเป็นรักมากเป็นนองชายคิดปัญญานิดเนี่ยบอกอายานิษย์ต้องการจะเตือนว่าคนมุนบินเปรียบเปรียบเทียบเป็นคนตาบอดคนกาเฟสเนี่ยเปรียบเทียบเป็นคนตาบอด วัลบาซีรคนตาดีเปรียบเทียบเหมือนคนมุมินเอาเรื่องที่สองอายาทียี่สิบวัลลัลูมาตุวัลนูรอัลลอฮุอัยฮิวรวัลลัลจมาตุวัลนนูร์จุลมาตแปลว่าความมืดทึบทั้งหลาย ความมืดทึบจุลุมแปล ว, ว่าความมืดทึบทั้งหลายน้องก็เปรียบเสมือนคนอะไรคนกาเฟสโอ้นี่เปรียบอยู่สามสี่อายา น, นะเปรียบเทียบระหว่างคนกาเฟสกับคนมุมินเหมือนอะไระคนกาเฟสเหมือนอะไรคนมุมินเหมือนอะไรคนกาเฟสนั้นเปรียบเสมือนจุลุมาตอยู่ในความมืดทึบทั้งหลาย ต่อมาวาลานูลานูตแปล ว, ว่าแสงสว่างแสงสว่างกับมืดทึบเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแสงสว่างกับมืดทึบไม่เหมือนกันต้องการจะเปรียบว่าคนมุมินนั่นอยู่ในที่สว่างคนกาเฟตนั่นอยู่ในซูลูมาดอยู่ในที่มืดทั้งหลายอยู่ในมุมมืดทึบทั้งหลายเห็นยังครับมีสองแล้วนะสองอายาแล้วนะ อายาแรกนั้นเปรียบเสมือนคนมุมินคนตาดีคนกาเฟตนั้นเป็นคนตาบอดอายาที่ยี่สิบคนมุมินนั้นอยู่ในที่สว่างคนกาเฟตนั้นอยู่ในที่มืดทึบทั้งหลายสังเกตนูตเปษษ็นเอกภพนู๊เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าก็อนวาตแต่ทำไมอลัลลอฮ์ใช้นู๊ เพราะว่าแสงสว่างนั้นมีอยู่ที่เดียวคือมาจากอัลกุรอานและสุนนะนบีเท่านั้นจะเอาแสงสว่างจากทิ้งกรุรอานทิ้งสุนนะนบีหาแสงสว่างไม่เจอครับส่วนซุลุมาตเนี่ยเป็นพระผูะ้โพสซูลมุลแปลว่ามืดเถิดใช่ไหมแต่ซูลุมาตเป็นพผู้โพ์ต้องการจะบอกว่าคนกาเฟสนะั้นอยู่ในที่มืดมืดมืดมืดหลายๆมืดมาถึง ความผิดอื่นๆรวมไปหมดเลยวีนะก็กินเหล้าก็เด่มสิการพานันก็เอาหล่อนินทาคนก็เอาเอาหมดเลยใช่ไหมถ้าก็อยู่ในที่มืดมืดมืดทรยศตาพ่อแม่ก็มีตัดขายกับญาติพี่น้องตัวเองก็มีมิสัยคนกาฟเฟตเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแบบนี้เลยทําลายอิสลามอยู่ในที่มืดทําลายสุนนนาบีคนนั้นอยู่ในที่มืดทํานายอัลกุรอานทําลายมุมิน อยู่ในที่มืดหมดเลยครับฉะนั้นอับุลูมาจึงเป็นเปรียบเทียบก็เหมือนคนอยู่ในที่มืดก็คือคนกาเฟรวลาลนูนูดเป็นเอกพจน์มาถึงอยู่ในที่สว่างมุมินนั่นอยู่ในที่สว่างอัลฮัมดุลิลานี่เปรียบเทียบอยายะที่20ต่อมาครับวา ล, ลวิลูวาลฮารู วะลอซิลวะลัลฮารูรรายการที่รายการนี้นะยิ่งๆ21คนไม่อะไนะที่ร่มเงากับที่มีร่มกับที่ร้อนร้อนาที่ที่ที่มีแดดกับที่ที่มีที่อยู่ในร่มอยู่ในเงากับยืนกลางแดดเนเหมือนกันมั้ ไม่เหมือนกันยืนกลางแดดนะเป็นไงร้อนอยู่ในร่มเย็นไหมเย็นต้องการอธิบายเหมือนกันว่าคนมุมินกับคนกาเฟนั้นเปรียบคนกาเฟสเหมือนกับยืนในที่กลางแดดคนมุมินเดินอยู่ในที่ที่มีร่มเงาต่างกันไหมนี่เรื่องที่สามแล้วเปิดสมองเราอยังเปิดคนที่อ่านคุณอ่านอย่างเปิดสมองเปิดตายอย่างเปิดแล้วนะ เาว่าอายะทั้งสามอายะเนี่ยอลัลลอฮ์ส่งให้ใครให้ยิบรี ล, ลงมาบอกกับท่านนาบีให้นบีมาสอนเห็นยังครับตกลงว่าคนมุสลินเหมือนอะไรเปรียบเหมือนอะไรคนกาเฟตเปรียบเหมือนอะไรไปน้องอ่านศึกษาเองสามอายะแล้วอัลลอฮฺอักบัดเปิดหูเปิดตาเราอย่างฉะนั้นอย่าแต่งงานนะคนกาเฟตอย่าวว้ใจคนกาเฟตอย่าเดินอย่าเดินตามคนกาเฟต อย่าเอานิสัยคนกาเฟ่มาใช้ให้เอานิสัยใครอัคลาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลั่านมาแทนอย่าไปเห็นยะฮูดีนั่นเป็นตัวแทนขอ ง, ของคนเหล่านี้นะ่ะเป็นตัวแทนของครเป็นคนทาบอดเป็นคนอยู่ในที่กลางแดดอลโลอยู่ในที่ร้อนๆอนอย่าเอารูปแบบของคนเหล่านี้นะมาเป็นแบบสําหรับตัวเราเราต้องนึกแบบของเราคือ อะไรครับนบีมุฮัมมัดสลุลลัลอัลัยฮสัลลำนะครับในทุกกรณีเลยนะครับยิ่งโรคโควิดนี่มาเนี่ยรออักบัตมันต้องยึดสุนานะานบีอย่างเดียวเลยถึงจะปลอดภัยถ้าแอนตี้สุนานะานบีเอนรอเถอะรอเถอะพบแน่นี่ผมอ่านข่าวก่อนที่จะมาเนี่ยส่งคนส่งลายมาโรคโควิดเนี่ยคนที่รักษาหายแล้วนี่นะต้องระวังตัวต่อไปนะ ในปอดของคนที่รักษาโรคโควิดหายนะเป็นแผลอยู่นะครับเป็นแผลอยู่ตลอดไปอยู่ทางตายเลยนะถ้าเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยถ้าเป็นเด็กหนุ่มนะรักษาโรคโควิดหายแผลในปอดของเขาเนี่ยนะนี่หมอจีนนะเป็นแผลอยู่นะครับมันจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ารับปฏิบัติตรงกันข้ามเช่นนั่งรวมกันเมื่อไรกินเหล้าเมื่อไร นะครับทำนู่นทำนี้ที่เขาห้ามทําตอนนี้เนี่ยนะเพื่อไม่ให้โรคโควิดนี่มันมันจเจริญอ่ะต้องหยุดหมดเลย น, นะจะไม่ละจะนี้หลายคนที่เป็นแล้วก็หายที่ตายมี ม, มีที่ตายก็เยอะที่หายก็เยอะไอ้คนที่หายนี่นะจะใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้แล้ต้องระวังตัวตลอดเลยเราตั้งแต่มุมโอกาสที่จะเป็นคนดีมีไหมผมว่านี่หน้าโรคโควิดนี่นะ ใครที่เป็นนะจะใช้ชีวิตแบบเก่าไม่ได้แล้วทันพูงขอแนะนํำให้รับอิสลามซะ <c oughs> นี่มันเลย <c oughs> มันจะพูดค่าของตัวนะ <c oughs> เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยนะ่ะรับอิสลามนะเพราะอิสลามห้ามกินเหล้าห้ามเล่นการพ น, นันห้ามไปนั่งในบาร์ในครับห้ามแห้ทําดินาปลอดภัยหมดเลยนะครับเอาต่อมาครับอยายะที่เทไรนะอยายะที่ 2ี2สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวาลาวามายสตวิลอะฮียาวลาลมวดัดแปลว่าอะฮียาแปลว่าคนมีชีวิตคนเป็นคนเป็นทั้งหลายกับคนตายเท่ากันไหมเอาเราบอกว่าลายัสตาวีมายัสตาวีไม่เหมือนกัน ของการจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเปรียบว่าคนตายนั้นเปรียบเปรียบเสมือนคนกาเฟสนะครับวันอะอายะคนมีชีวิตคนเป็นเปรียบเปรียบเหมือนคนมุมินเห็นยังครับนี่เราไม่ได้เปรียบเองนะใครเปรียบมาจากชั้นฟ้าเพื่อจะสอนให้มุสลิมตาสว่างสอนให้คนกาเฟสเนี่ยถึงต้องนึกนะนี่เอาล้อเปรียบมานะผ่านนบีมุฮัมมัดผ่านจิบรีล เอานบมัหมัมาสอนคนที่เป็นกาฟเฟ่ก็เป็นไปเถอะแต่ฉันเล่าให้ฟังว่าเปรียบเสมือนคนตายผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นใช้ชีวิตตามนบีมูฮัมหมัดนะครับไม่ใช่ตามตัวย่อนะไม่ใช่ตามตัวครูคนนั้นคนนี้ไม่เอานะปฏิบัติตามนบีอย่างเดียวพยายามศึกษาว่านบีทํำยังไงนบีปฏิบัติยังไงสอฮาบ้านนบีปฏิบัติยังไงไม่ใช่สอฮาบ้านนบีทํา ท, ท, ทำทำบิดอาเนี่ยไม่ใช่นะ ชวบ้า น, นาบีน่ะปฏิบัติแล้วก็นบีเห็นนบีรับรองนันเรียกว่าสุนัขทั้งหมดฉะนั้นปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามเราซุนอัลลอฮ์ AH นะ่ะปลอดภัยหมดเลยนะครับเรียกว่าคนมีชีวิตชีวาคนที่ขวางสุนัขนบีเอกว่าคนตายคนที่ขวางอิสลามขวางอัลกุรอานไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืนนะ้นเปรียบเสมือนคนตายหมดเลยนะ แต่คนที่เชื See, ่อว่าตายแล้วฟื้นเปรียบเสมือนคนเป็นทำด้วยละขั้นสอนของนบีนีด้วยละจากอัลกุรอานวมาจะสตวิลอะยาอวาลอัมวาตแล้วก็ไม่เท่ากัน นะครับคนเป็นกับคนตายคนเป็นก็เปรียบเสมือนคนมุมินคนตายเปรียบเสมือนคนกาเฟร์ฮัมดุลิลลาอฺอินนัลลอฮฺยุสเมอไมยาเซแท้จริงอัลลอฮฺนี่จะให้ใครได้ยินก็ได้ ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อธิบายยังไงเขาไม่ได้ยินก็ได้เนี่ยให้เขาเข้าใจอิสลามยุสมาอุแปลว่าให้ได้ยินฉะนั้นคนที่เป็นมุมลินเนี่ยเวลาเขาได้ยินอยายะคุรอานเนี่ยเขาเข้าใจอ๋อนบีสอนอย่างงี้เขาเข้าใจเพราะว่าในใจของเขาไม่ได้ค้านแต่คงตรงกันข้ามคนกาเฟ่เนี่ยพอได้ยินว่า เอ า, าสร้างชั้นฟ้ า, าจริงใช่ไหมมันจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้านคนที่ขวางนาบีมุฮัมมัดนะในสมัยนบีนะใครรู้เปล่าลุงลุงนบีนะชื่ออบูอะไรอบุละครับขวางทุกเรื่องเลยนะแล้วก็ใครที่อยู่ในครอบครัวของอบูละครับที่ส่งเสริมยุให้สามีเนี่ย ต่อต้านนาบีนะภรรยาของอบุลละับเองอบุลลนะับเป็นพี่ชายพ่อนบีนะต่หาว่าการต่อต้านอิสลามเป็นเรื่องดีถ้าการต่อต้านสุนานนบีเป็นเรื่องดีถ้าการต่อต้านคนที่เป็นศรัทธาต่อลอดเป็นเรื่องดีนะอลัลลอฮ์จำไม่มีประทานอันกูอ่านอนยายะนี้มาครับ tabbiyadabi labiwatab มือของอบูละฮับทั้งสองพินาตแล้วตับบ้าแล้วก็ได้พินาตไปแล้วด้วยเอาพินาตพอโรคอะไรรูอเปล่ามันใช่โรคโควิดนะเป็นโรคคล้ายโรคโควิดอบูละฮับนะ่ะหลังจากสงครามบะดาฟไปผ่านได้เจ็ดวันมีโรคระบาดชนิดหนึ่งวันนั้นนะสมัยนบียังมีชีวิตอยู่นะเขาเรียกว่าโรคตองโอนก็โรคระบาดอละ เขาเรียกว่าอดัขึ้นเม็ดที่ใบหน้าเพราะขึ้นเม็ดที่ใบหน้าในโรคนี้นะโรคติดต่อด้วยนะทุกคนนี่กลัวหมดไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คนที่เป็นโรคนี้แบบปัจจุบันนี้เลยครับแบบปัจจุบันนี้เลยนะครับอบูระฮับเป็นโรคนี้ครอบครัวก็เอาเอาอบูระฮับเนี่ยกักตัวไว้อยู่ในบ้านคนเดียว กักตัวอยู่ในบ้านกี่คนคนเดียวเหมือนโรคโควิดนี่เลยถ้าอ่านจะควรอานจะดูตัปซีดหลายๆเล่มนะเสร็จแล้วก็ตอนตายตายกี่คนตายคนเดียวตายแล้วตายคนเดียวแบบวันนี้ก็เหมือนกัรครับตายกว่าตายคนเดียวนะลูกมาจะมา ก, ากาล่าวกล่าวโน่นกล่าวนี้จะมากอดพ่อได้ไหมไม่มีสิทธิ์ครับห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามเข้าทุกคนกลัวหมด อบูระหับก็เหมือนการถูกกักตัวอยู่ในบ้านคนเดียวใครเอามาครับคนในครอบครัวตายคนเดียวตายได้สามวันแล้วมีกลิ่นเหม็นแล้วครอบครัวไปรู้อา้าวพ่อตายแล้วตายคนเดียวอะ่ะเสร็จแล้วก็จ้างคนผิวดำซึ่งเป็นทาสทา่าจู่สมนั้นทาสเดยอะก็อุ้มนะครับ เอาศพเนี่ยไปวางไว้ที่พื้นดินน่ะที่ดินนะ่ะเสร็จแล้วก็ขุดหลุมขุดหลุมขุดหลุมเสร็จแล้วก็เอาไม้เขี่ยเอาไม้เขี่ยลงหลุมครับไม่ใช่ยกลงหลุมเอาไม้เขี่ยลงหลุมแบบเดียวกับโรคโควิดที่ใส่รถมานะครับแล้วก็เทศพนั่นนะ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเรียนแบบใครเรียนแบบอบุญอบุญนะครับ แต่ท่านคนที่แอนตี้อิสลามอัลลอฮ์ให้เห็นแล้ววันนี้คนที่แอนตี ah, ้อัลลอฮ์แอนตี้รอสูลแอนตี้สุนนะนบีแล้วก็แอนตี um ้มุมินเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเช่นพี่น้องคัชมีตตายไปเท่าไหร่ครับที่ปัตตานียาลาตายไปเท่าไหร่ครับที่ฟิลิปปินตายไปเท่าไหร่ครับที่อิรักปาตาไปเท่าไหร่ครับที่เยเมนตายไปเท่าไหร่ครับ แล้วก็ที่ซีเรียตายไปเท่าไหร่ครับแล้วก็ลิเบียตายไปเท่าไร่ครับท่านั้นคนที่วางแผนทําลายอิสลามทําลายมุมินทําลายสุนนะนบีหรือทําลายนาบีมุฮัมมัดชื่อเสียงของมุฮมัดอัลลอฮ์ให้ตายคล้ายๆกันนะเป็นโรคระบาดโรคระบาดโรคระบาดโรคระบา ด, รรบาดนาอูซบิลลงงนเลยมีแต่เด็กก็ต้องใช้ปัญญานิดหนึง่งโอ้ใช่หรือฮัมดูรินลยพีน้ ขอร้องต่อรอให้เราอ่างห่างไกลนะอย่าแอนตี้โซน่านะบีนนพี่น้องนะเขาว่าเป็นคณะใหม่ไม่มีปัญหาหรอกเขาว่าวะฮับียินรับด้วยความเต็มใจนะครับห้ามดูลิล่อยๆตกลงว่าอิน um ah ัลอฮัยุสมีอไมยะชาแท้จริงอัลลอฮ์นี่นะสามารถให้ได้ยินผู้ที่อัลลอฮ์ส่งประสงค์ อัลลอฮ์จะเปิดใจใครให้รับอิสลามก็ได้แต่หน้าที่ในการสอนอิสลามเป็นหน้าที่ของใครของท่านนบีมูฮัมมัดสุล ล, ลัลละหิวสัลลัมหลังจากนบีเสียชีวิตสุฮาบะนบีมาทํางานศาสนาต่อพอสุฮาบะเสียชีวิตตาเบียอิดมาทํางานศาสนาต่อแล้ตาบีอิดตาเบียอินมาทํางานศาสนาต่อและพวกเราวันนี้ก็ทํางานศาสนากันของอัลลอฮ์ เพื่อที่จะเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์จึงต้องเหน็ดเหนื่อยกันต่อไปแล้วคนทํางานศาสนานี่มีใครชมบาดีไหมล่ะอ่ามีไหมล่ะไม่มีครับมีแต่ตําหนิตําหนิตําหนิตนําหนิพี่น้องดังว่าเราที่ไปประชุมกันนี่ถูกตําหนิยังไม่เลิกเลยนะคนที่พูดดีไม่มี็ีไคนหรอครับมีแต่คนด่าทั้งนั้นแหละจะนั่งพี่น้องครับต้องนึกขอบคุณอัลลอฮ์ว่าโอ้ใครที่อยู่ในาศาสนานี้เนี่ย น, นะ เองต้องถูกตำหนิถูกต่อว่าแม้แต่รักษาซุนานานาบีแบบเคร่งเคร่งก็ถูกด่าด้วยนะครับแต่ถ้าอยู่บอกอะไรก็ได้อ่าฉันไม่ไม่ค่อยเคร่งซุนาหาเท่าไรรักนะครับอัลลอฮฺอัสวะบนานี้นะเป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดไม่ได้บังคับใครนะอธิบายให้ก็ฟังแล้วก็ขออ้างให้เปิดสมองฮนะลเราเปิดสมองให้ดีนะครับ roma ครับว่มาอันตบิมุสมิอิมมัมฟิลกบูรว่มาอันตบิมุสมิอิมมัมฟิลกบูรมาอันต์ว่มุฮัมมัดไม่ใช่เป็นคนที่บิมุสมิอิมให้ได้ยินมันฟิลกบูร ผู้ที่นอนอยู่ในหลุมศพคนที่นอนอยู่ในกูโบนี่น บ, บีไม่สามารถทำให้เสียงน บ, บีไปถึงเขาได้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้มันฟิลกูบูคนที่นอนอยู่ในสุสานเปรียบเสมือนคนกาเฟเปรียบเสมือนคนอะไรคนกาเฟ่นี่ข้อที่ข้ที่หแล้วสิใช่หมหล่ะข้อที่หนึ่งเปรียบเสมือนอะไรคนตาบอดข้อที่สอง เดินอยู่ในที่มืดมืดข้อที่สามเดินอยู่กลางแดดข้อที่สี่เปรียบเสมือนคนตายข้อที่ห้าเปรียบเสมือนคนที่นอนอยู่ในสุสานฉะนั้นคนที่นอนอยู่ในสุสานเล่าให้นบีฟังนบีท่านมีหน้าที่สอนนะคนกาเฟสนี่ยนะ่ะยังไงยังไงอะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนนอนอยู่ในกูบูนั่นแหละ มันไม่ได้ยินอะไรรอของที่นบีทําใช่ไหมนอกจากอัลลอฮ์จะเปิดใจมันเมื่อไหรเท่านั้นเองตกลงอันานาบีอยู่สอนได้ไหมทั้งๆที่ชี้ให้เห็นว่าคนเหล่านี้นะสอนยังไงยังไงมันก็ไม่เชื่อเปรียบเสมือนคนศบนอนอยู่ไหนกูโบเลิกสอนไม่ได้สอนพวกเราด้วยวันนี้ใครไม่เอาอิสลามก็ไม่มีปัญหาแต่ท่านต้องทําหน้าที่สอนสอนสอน จเอาวะตับลีกอ่านอัลกุรอานรักษาตัวให้ดีพูดคุยกับคนในบ้านให้ดีอัครากที่นิ่มนวล น, นอ บ, น, อ บ, น, อบน้อมถ่อมตนเขาจะดา่าเขาจะฟิชนาแค่ในเชิญแล้วก็ทำตามหน้าที่ก็ไปเอะส่วนเราั้นต้องขอเชนมุมินีนหล่อต้องนอบนอบ้อมต้องถ่อมตนต้องยิ้มต้องให้อภัยอังสุนาขนาบมีมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันถึงจะรอดนะครับพี่น้องถ้าอย่างนั้นไม่รอดครับ กูอานเปิดปิดหูปเปิดตาอย่างเปิดแล้วนะทำนี่แหละจะนั่นคนที่ไม่เอาอิสลามเปรียบเสมือนใคร bud, เหมือนกับเปรียบเปรียบเสมือนคนนอนอยู่ในสุสานเป็นศพอยู่ในสุสานนบีเนี่ยสามารถไม่สามารถสอนคนตายได้จะนั่นคนเป็นที่แอนตี้อิสลามนะ มันก็แอนตี้อิสลามจงทำลายอย่ า, ล, าล่ะเราจะอัลลอฮ์จะเปิดใจคนบางคนแตเราต้องขอดูอานะอลัลลอฮ์จะเปิดใจคนกาฟเฟต้วยเธออลัลลอฮ์จะเปิดใจคนกาฟเฟตโวยเธอต้องขอดูอาอย่าขอดูอาทําลายนะขออลัลลอฮ์เปิดใจกันแล้วกันอินอัลลอฮ์นัดี อินอาต่าอิละนะจีมุ hammad ไม่ใช่ใครอัาต่ามาถึงนบีมุ hammad ท่านนะมุ hammad นะไม่ใช่ใครหรอกนอกจากเป็นผู้มาแค่ตักเตือนอลัลลอฮ์เป็นโค้มาตักเตือนอัลลอฮ์อลัลบาหเห็นอย่างครับนบีมาเป็นคนอะไรนะตักเตือนท่านนบีมุ hammad ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้น นบีไม่สามารถที่จะให้ใครเป็นมุสลิมไม่สามารถที่จะให้ใครรับอิสลามนอกจากนาบีจะมาเตือนมาเตือนมาเตือนมาเตือนมาเตือนผู้ที่จะเปิดใจคือใครอัลลอฮฺสุบฮานาหูฮตาลาฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันเราจะไปบังคับให้ใครรับอิสลามได้ไหมไม่ได้ผิดกติกาผิดเงื่อนไขที่อัลลอฮฺวางไว้ฉะนั้นเรามีหน้าที่สอนแล้วขอดะอาอย่าสอนไปด่าไปนะั้นไม่ใช่ ต้องสอนไปขออุทิไปสอนไปขออุทาไปผู้ที่สอนคนที่เป็นดาอีดาวะต้องมารยาทสุนทรนบีนะนิ่มนวลตลอดเวลาเขาด่ามาก็ยินดีบัลฮัมดูแลไม่มีปัญหาครับเชิญด่าได้เลยแต่ใจไม่ไมพูดหรอกในใจมนุษย์เชิญด่าต่อไปไม่มีปัญหาเนี่ยเอาลอบบอกกับคนบอกกับนบีนะ ม, มุฮัมมัดเอ้ยพวกท่านเนี่ยไม่ใช่ใครนะอิลลาลนบี ท่านมาในฐานะเป็นผู้สอนศาสนาเท่านั้นเองมาเตือนคนให้เข้าใจเรื่องอัลลอฮ์มีอง์เดียวและก็สุนั์นบีคืออะไรวันกิยามากมีจริงตายแล้วฟื้นเรื่องใหญ่หมอเรื่องใหญ่มากการเรื่องตายแล้วฟื้นนี่ทีนี้พี่ต้องทราบไหม <c oughs> มีอาดาบอยู่ชนิดหนึ่งในโลกนี้ ท, ที่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะ ที่ผ่านมาแล้วนะเอาลอนลงโทษครั้งเดียวนะ่ะห้ารายการทยอยลงมาเลยนะห้าอย่างจากปราุรานกับสูรอา จ, จารยาต้องการอธิบายให้ท่านเป็นวงฟังอย่างนี้ครับพวกที่เป็นเกย์คนที่เป็นเกย์สมัยไหนน บ, บีอะไรน่าจะจำได้นะน บ, บีอะไรน บ, บีลูกอาลฮิสซาด อันพวกเป็นเกมหมดเลยนะวันนี้เกมมีไหมมีไม่มีโอ้โหเป็นจมามาใหญ่เลยนะบางคนก็ถ่ายรูปมาผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยหลาอหอมการจูบกันได้ไหมแล้วก็มีเซ็กกันอะไรกันในอดีตนะเรื่องเกเนี่ยมีปรากฏขึ้นแล้วลวเราสรงนบีลูตมาสอนเขาไ่เชื่อกันสักคนนะ่ดานบีลูตเอเองเป็นคนสะอาดไปอยู่ที่อื่นไป โอ้โจนกทั่งนบีจนกต้องอึดอัดใจนะครับขอดุมาต่อเราเาก็รับยิบรีนลงมาหานาบีมันนบีลุตยิบรีนเนี่ยมาในในสภาพเป็นชายหนุ่มซึ่งคนเกนี่ชอบหมดเลยโอ้โหนี่หนุ่มแปลกหน้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยแต่มาเป็นแขกของนบีลุตอะไรวิสซาลาโอ้โหพู้นี้ล้อมบ้านนาบีลุตเลยน่ะ แบบว่าแบบขอร้องแกมบังคับให้ส่งแขกออกมาให้พวกเกเนี่ยรออยู่ข้างนอกล้อมบ้านนบีลุยดเลยครับแล้วเป็นยังไงนบีลุยดก์กลัวว่าแขกที่มาเนี่ยจะมีจะมีปัญหานบีลุยดก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นมลายิกาเป็นยิบรีนพอแสดงตัวนี่ว่าฉันเป็นมะลายิการับมือฉันไม่ได้รอราคนประเทศ น, นี่โ อ, อ้รับมือฉันไม่ได้ เอาต่อมาทำไงหรือไม่เมื่อเมื่อเมื่อมาบีบคั้นบีบบีบบี บ, บ, บตักหนักเข้าเนี่ยมริกาแสดงเองครับในคุรานนะครับฟ <c oughs> าปอมัสนาอายุโนหุมนะครับยิบรีเนี่ยได้ใช้ปีกตบใบหน้าของคนเหล่านั้นตาบอดหมดเลยเอาปีกตบสแสดงให้เห็นแล้วนะฟาปอมัสนาอายุนนหุม จิบรีนได้เอาปีกของยิบรีนน่ะพี่น้องปีกยิบรีนมีทั้งหมด6กรอปีกนี่เอาใช้ปีกเดียวนะเรีกยกในน้อยนะ่ะตบหน้าครับไอหนุ่มๆไอเกย์ทีมายืนคุมล้อมบ้านนับีลรูดนะตาบอดหมดเลยคำบ้านหลังไหนเนี่ยหลังไหนเนี่ยหมดเลยตาบอดเครี้ยงหมดเลยนี่อาดาบครั้งแรกมาเรื่องที่สองครับ แล้วอัลลอฮฺได้ส่งเสียงกัปปนาฏลงมาจากชานฟ้าไม่รู้ห่างกันกี่วันไม่ทราบตาบอดแล้วยังไม่พอเนะีส่งอะไรนะเสียงกัปปนาฏมาเสียงฟ้าผ่ามานี่นะครับไม่ตายด้วยนะกลัวกันหมดเลยนะตากระบาดเสียงฟ้าผ่ามาอีกแล้วเป็นไงครับข้อที่สาม ว่าอัมต orna عليهمحجارة ทั้งหมดสิดี <ين> นี่อัลลลาห์นะมีคุณอ่านทั้งหมดเลยนะและเราได้ก็ะนำลงมาเป็นฝนแต่กลายเป็นหินหินแข็งสิดีนึกว่าหินแข็งก็นำลงมาบนพวกเขาเหล่านั้นเรื่องที่หนึ่งตาบอดเรื่องที่สองเสียงกัมปนานลงมาหูกับแตกนะพี่น้อง เรื่องที่สามให้ฝนตกลงมาเป็นหินแล้วก็หินแต่แล้วกนะ็มีชื่อด้วยนายนี้นายนี้นายนี้นายนี้อุลโลเห็นไหมครับทําให้เรานึกโรคโควิดนี้นะถ้า ม, มองที่สายตาเห็นนะพวกมีชื่อเต็มเลยนะในโรกนี้มีใครบ้างที่ด่าอิสลามที่ด่านาบีที่ทําลายมุมินที่ทําลายคุรานที่ทําลายสุ น, านาัขนบีมีชื่อติดหมดเลยพี่น้อง ทยอยลงมาเดี๋ยวโหพี่น้องคิดนึกนึกภาพเองกันแล้วกันเห็นไหมพี่น้องนี่เรื่องที่ซีนะเรื่องที่หนึ่งยิบรีนเอาปีกตบหน้าตาบอดไม่มีประเทศใดในโลกมีหยุดประเทศนี่แหละประเทศที่เป็นเกณเนี่ยเอารอสมโทษมาห้าโทษนายพี่น้องธรรมดากคโทษเดียวมันก็ตายหมดแล้วอ่ะตอนนี้ก่อนตายนะ่ะห้าโทษนายพี่น้องโทษทีหนึ่งอะไรนะ เอาปีกยิบรีเนี่ยตีใบหน้าตาบอดโทษที่สองอลัลลอฮให้เสียงกำป น, นาตลงมาคร่องที่สามให้ฝนตกลงมาเป็นก้อนหินหินแต่ละก้อนและก้อ น, นั้นมีชื่อติดอย่าไปเอ่ยชื่อใครตัวเองระวังตัวเองก็แล้วกันต่อมาข้อที่สี่ ฟาจัลนาอาไลฮะซาฟิลฮะเรื่องที่สี่เนอโลพริกแผ่นดินเอาสบิลเห็ลนล้วหริกแผ่นดินนะครับเอาข้างบนลงข้างล่างและเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเห็นยังครับนี่อั ล, ลเล่าให้น บ, บีมุฮัมหมัดฟังนบีไปสอนซะแต่เ ด, ดซีสุกปัจจุบันนี้นะ่ะมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่เราพวกอาหรับมุสลิมเดินผ่านได้ แล้วก็เห็นด้วย oh. <laughs> หรือวันนี้<ม>คนกาเฟ่ติดแอนตนาบีที่ด่าอัลกุรอานที่ด่าซุนน่านาบีที่ขวางซุนน่านาบีและเข้นฆ่าพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาตอนละเดินผ่านเดซีล ด, ดูบ้างสิข้อที่หครับมุสาวมาดานอินดารบิกอัลลอฮ์มุอะควบมุสาวมาค้อที่ห้าเนี่ยถูกตาเป็นเครื่องหมาย ถูกเก็บเป็นเครื่องหมายเอาไว้เป็นเดซีปัจจุบันเนี่ยล็อกเก็บเอาไว้เป็นอะไรนะเป็นถูกเป็นเครื่องหมายที่เก็บเอาไว้รักษาเอาไว้จนปัจจุบันนี้เสียหน้าไหมล่ะเสียหน้านะ่าเป็นเดซีปัจจุบันนี้น่ะนี่ยนัทธาหกมีชีวิตมันฟื้นขึ้นมาโอ้โหนี่กูนี่เลวขนัดนี้แลเนี่ย อโลอักบัตธรรมชาเลวถึงขนาดนี้เจอาอโลเก็บภาพเอาไว้น่ะเป็นตาเก็บเอาไว้อโลอักบัอโลว่าก็เป็นเครื่องหมายเก็บเอาไว้แล้วทุกคนมุมิิมจะเดินผ่านกระดาษทุกทุกคนโอ้โหเนี่ยคนนี้คนนี้เลวจริงๆเป็นเกเรเลวขนาดนี้เลยเนี่ยฉะนั้นห้ารายการประเทศเดียวถูกอาสาบ5้าอย่างได้ไหมพี่น้องเพราะอะไรครับ พราะคนในหมู่บ้านนั้นทรยศ ต, ต่อคําสั่งของอัลลอฮ์ทรยศ ต, ต่อคําสั่งของนบีลูตอันใหญ่สลามแล้วอัลลอฮ์ลงโทษแล้วก็เก็บประเทศนั้นให้เป็นแบบอย่างที่เลวๆเอาไว้กับคนรุ่มใม่ในปัจจุบันนี้ให้ได้จะสังวรอยู่ตลอดเวลาอัลุซุบิลลอฮ์นัสซุรอาฺจาดิยาต์นัสซุรอฺที่51อ็ายะห์ที่34ไปเปิดดูเองด้วยนะว่าจริงหรือเปล่าจริงทั้งหมดครับการทำตัวเลือกต่อมาครับ อินนาอรซาลนาค์บิลฮะคีบะชีรุวะแะนีรุอัลลอฮุออฮฺอัลลอฮฺอัรอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลฮัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอัลลอฮฺลลอฮฺอัลลอัลลอฮอัลัลลอฮฺอัลอ อนแท้จริงเราเนี่ยอัลสลนาก็ส่งท่านส่งน บ, บีมุฮัมมัดมาเนี่ยบิลฮะกีส่งมาจริงๆนะเป็นเรื่องจริงน บ, บีมุฮัมมัดมาในโลกนี้ปัจจุบันนี้เราเสียชีวิตไปแล้วกูโบฝังที่นครมดินาเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกเห็นไหมฉะนั้นใครที่ ด, าด่าน บ, บีเอ็งคิดผิดนะ ออัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมายุคสุดท้ายเนี่ยยุคมุฮัมมัดเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็บาชีรอนนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาสอนนะครับข่าวดีแจ้งข่าวดีก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันเอาข่าวดีอะไรบ้างคนที่นมารครบห้าเวลานะครับทุกุลอิสลามเนี่ยนคนที่นมาคนถือศีนอดคน จ, จ่ายสกาดคนถือศีนอดคนทำพายีคนทําอุ้มรหอ คนที่ปัจยานตนต่ออัลลอฮ์ลออิลอฮ์อิลอัลลอฮมุฮัมมัดสุลล็ะเป็นเรื่องจริงครับอขอยกตัวอย่างพี่น้องที่ตายอยู่ในกูโบลเวลามาลัยก้ามาสอบเนี่ยสอบกี่เรื่องสามเรื่องบางราย ง, ง, งานว่าสีเรื่องสอบอย่างนี้มันนบีอยู่กับมันมันรรบกูกะใครเป็นรอบของท่าน ใครเป็นประพู้อภิบานของท่านมันนบียุกะใครเป็นนบีของท่านมันอิมามูกัใครเป็นอิมามของท่านอีหมามไปจนกุรอานนี่ไหมเรื่องอัลลอฮ์เรื่องรอซูลเรื่องกุรอานไม่ได้ถามเรื่องอื่นเลยน่ะถามเรื่องใครเป็นรอบของท่านใครเป็นรอซูลของท่านใครเป็นอิหมามของท่านแล้วก็ถามว่า คุณรู้เรื่องสามเรื่องนี้มาจากไหนเขาก็จะตอบว่ากอเรตุลกขุนิลาฉันอ่านจากคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ตอบมาเลยกาได้คนที่ตอบไม่ได้มีไหมเยอะมาเลยกาถามว่ามาดมาดาร้อยตาทำไมมาตาไลตาทำไมคุณไม่อ่านทําไมคุณไม่หาความรู้คุณหาความรู้อย่างอื่นได้หมด แต่หาความรู้จะให้ปลอดภัยจากการลงโทษในกุโบหาความรู้ไม่เป็นเพราะเองแอนตี uh ammad, ้มุฮัมมัดแอนตี้คุรานเนี่ยจะเอาความรู้มาจากไหนล่ะเพราะความรู้เหล่านี้นะ่ะอยู่ในคัมภีร์ุรานหมดเลยแต่บุคุณแอนตี้กันใช้ไหมล่ะนั่นถูกลงทีนี้เวลานอนอยู่ในกุโบเพราะตอบไม่ได้แต่แล้วใช่ไอาซาบเวลามาด้านศีสะคนที่นมาครบห้าเวลาจะ การนำมาของเขาจะไปยืนสิ c ค r i ร y ีเขาด้านศรีรษะเข้าใจไหมนี่นบีสอนเองบาชีรอนมาแจ้งข่าวดีคนที่นำมาชอบมาพเวลาข่าวดีก็คือเวลานอนอยู่ในกูโบนำมาจะมายืนเฝ้าเขาด้านศรีรษะเป็นเรื่องจริงครับอันม่เชื่อหลองตายดูสิแล้วก็อากาศที่เราจ่ายอากาศคงว่าอากาศต้องนึกนะภาคบังคับนะ แล้วก็ที่ไม่บังคับอีกก็สอนก็ฮะดียะวกาฟสี่รายการนะครับจะมายืนเฝ้าด้านขวามือเวลาอาซาบไปด้านศรีรษะนมาดเฝ้าบอกว่าลมัดคอลทางนี้ไม่มีทางเข้าไปหาทางเข้าอื่นมาด้านขวามือมาเจออากาศยืนเฝ้าอยู่ไม่มีทางเข้าไปหาหาทางเข้าอื่นมาทางซ้ายมือเจอเดือนรมดอน เจอบวชยืนเฝ้าเขาอยู่เพราะเขาบวชตลอดชีวิตของเขามายืนเฝ้าเขาด้านซ้ายมือเอาพอจะมาทางเท้ามาเจอคนเฝ้าอีกอะไรรู้ไหมความดีที่เราทําเช่นการทําดีกับพ่อแม่การไม่ตัดขายกับญาติพี่น้องการเดินมามัสยิดร อ, อพี่น้องการทําความดีอื่นๆช่วยเหลือกันอื่น ๆ, ๆด้านอื่นๆจะมายืนเฝ้าเราด้านเท้าที่เท้า เวลาอาซาบมาด้านเท้าเจออามัณฑิสรและห้ารายการในยืนเฝ้าอยู่ตัวละว่านอนอยู่นอนก็บโบสบายก็ไม่สบายบาชีรอนนบีมาเล่าข่าวดีอย่างนี้เป็นเรื่องจริงหมดเลยครับฉะนั้นนบีมุฮัมมัดสอนเป็นเรื่องจริงคําสอนของนบีสุนน่านาบีเป็นเรื่องจริงนะครับสอนให้นมานเป็นเรื่องจริงจา่ายให้สอนให้จ่ายประกาศเป็นเรื่องจริง สอนให้ถือืศออดเป็นเรื่องจริงขอให้สอนให้ทำดีกับพ่อแม่เป็นเรื่องจริงสอนว่ามานมาศกับจาอาทีมา่มัสยิดยกเว้นโรคโควิดมานมาศที่บ้านนะครับที่เรามาไม่ได้เพราะเพราะว่าเพราะโรค่ะเพราะความกลัวก็ น, นมาศที่บ้านก็เป็นเรื่องจริงอีกเหมือนกันดังนั้นฮะยีเป็นเรื่องจริงทำอุมรอเป็นเรื่องจริงตายแล้วฟื้นเป็นเรื่องจริงอลัลลอฮ์ตอบแทนความดีความชั่วเป็นเรื่องจริงพี่น้อง อย่าปฏิเสธอลัลลอ์เลยนะเชื่อตามอัลกุรอานนี่แหละต่อมาครับวานาซีโรแล้วก็มาแจ้งข่าวร้ายให้กับคนที่ปฏิเสธอิสลามนะครับเตือนสำทับเลิกศาสนานี่นบี ม, มาสอนแล้วบูญละาับเนี่ยคนขวางนบีทุกเรื่องเลยแล้วเป็นไงครับตายคนเดียวถูกกักตัวไม่มีใครกล้ามาเยี่ยมตายแล้วต้องฝังฝังอะไรแบบเรียกอะไรนะ นนมมไม่แงมันใช่แงะลงๆหลุมอ่ะเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นคนที่แอนตี lam, ้อิสลามแอนตี้สุนนะนบีแอนตี้กุรานนะครับตายแล้วไม่ฟื้นอัลลอฮ์เนี่ยไม่จริงหรอกเออนั่นแหละจากกันกุรานจะสอนและเองกับเนื้อกลับตัวได้แล้วเอาต่อมาครับ ว่าอินมินอุมมตินอิลลัคหลาฟิฮานาจีนี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังเล่าให้พวกเราฟังอัลลอฮ์บอกว่าว euh ่าอินมินอุมมตินอิลลัคหลาฟิฮานาจีอัลลอฮุอะลลอฮอัลฮัมดุลิลลาฮีหมดเลยนะครับ วะอิมวะอิมินอุมมะตินอิลลั์ خلافيها ن ذ ีรและไม่มีหมู่ชนใดในโลกทุกอุมมะที่ผ่านมาเนี่ย Allah ไม่มีหมู่ชนใดที่ไม่มีนบีมาเห็นยังรครับนี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเล่าให้พวกเราฟังว่าเรานี่นะมาในยุคนบีมุฮัมมัดยุคสุดท้ายที่เราเชื่อนบีเนี่ยคนในยุคก่อนเนี่ยเขาก็มีนบีมาก่อนแล้วเหมือนกันม่ใช่ไม่มีอ่นานนบียูซุปมาในยุคไหนเห็นไหมอยู่ประเทศอะไรก็รู้ใช่ไหมประเทศอียิปต์ นบีมูซากับประเทศอียิปต์ใช่ไหมทั้งหมดแล้วนี่อัลลอฮ์ส่งนบีมาไม่มียุคไหนที่ไม่มีนบีที่วกยกเว้นนบีไม่มีครับมีแต่นบีมานบีมานบีมานบีมานบีมาแล้วที่เราเที่รับรับรู้น่ะเป็นไงครับคนที่ขวางนบีนปลอดภัยทุกคนไหมล่ะปลอดได้ไม่ปลอดไม่มีใครปลอดภัยสักคนหนึ่งอ้ายุคนบีมูซาใครที่ขวางนบีมูซาสําเร็จไหม ฟาโร่ผ่านไหมไม่ผ่านกอรูนผ่านไหมไม่ผ่านหามานผ่านไหมไม่ผ่านแล้วเป็นไงครับตายกันหมดยิ่กอรูนี่งนินเยอะรอแล้วถูกอะไรแผ่นดินสูบเหนยังครับฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านผ่านมานั้นไม่มียุคไหนที่ไม่มีนบีมาต้องการบอกให้นบีทราบและบอกพวกเราที่อ่านกูอ่านด้วยว่าโอ้ สถานการที่เราเชื่อนบีนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าคนในยุคโกล น, นเขาก็เชื่อนบีกันที่เขาได้ปลอดภนะัยเข้าใจนะอายะสุดท้ายว่าอกัลริบุกัฟะกัดกัลรับัลลัฎินามิงกับลิห์มว่าอกัลริบุกัฟะกัดกัลรับัลลัฎินามิ قبلهم جاءتهم رسولهم بالبينات وبالزبور و ب ا ل ز ب ر وبالكتاب المُنير الحمد لله هذا ك ؤ ا ل آخر من س ا ل ا ت ا ل ي م جاءتهم رسولهم ب ا ل ب ي ن ا ت وبالزبور وبالكتاب ا ل م ن ِ ر ا ل ح م د لله แปลนี้ต้องการปลอบใจนบีปลอบใจนะควานบีจะท้อนบีท้อมีไหมเคยท้อ นบีคนหนึ่งที่ทอมมาแล้วเลิกทํางานศาสนานบีอะไรอยู่อะไรยูนุสแล้วก็ไปรอดไปละ่ะตกอยู่ในท้องปลาเห็นไหมนี้ดูอาของนบียูนุสเนี่ยเป็นน้องจําไม่ดีเนาะอาเปยชายเยอะๆนบียูนุสอยู่ในท้องปลานราขอดุอาบ น, นายน لا إله إلا أنت س ب ح น ن ك إني ك ن ت น من ล ل ل ه لين แปลว่าอะไรครับชมอัลลอฮ์กับตําหนิตัวเองไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากท่านสุบฮานะกะมหาบริสุดยิง่งแต่ท่านอินีกุนตุแท้จริงฉันเป็นคนที่รอเล่มเป็นคนรอเล่มในบรรดาคน คนรกอเหลมทั้งหลายท่านเป็นคนชั่วชมอัลลอ์สมประโยคกับตำหนิตัวเองวักสุดท้ายอินนีกุนตัวมียอัลลอฮ์เีนไม่ได้ขอให้ออกจากท้องปลาสักนิดหนึ่งอย่างครับนี่เป็นข้อเตือนเตือนใจเราว่าท่ามาจำเป็นจะต้องขอรับ ก, กับอ่านดูอาขอนบีอยู่นุสนี่นะอัลลอ์ให้ทุกอย่างที่ท่านขาดนะไม่ดีนะ ลยอีเลยอีเลยอั่ยิ่งดูอรารมอดอนอย่างนี้นการไปนอนอ่านดูอาเยอะๆขอดุอาเยอะๆชมอัลลอ์ก่อนสักห้าร้อยครั้งอันนะสบพานอัลลอฮ์ทำดีๆแล้วเลยอีเลยอีลออัลลอฮ์บชมอัลลอ์อย่างเดียวนะครับอสองร้อยสามร้อยตอนเชนเนี่ยตอนเย็นเนี่ ย, ตอ น, นยตอนบ่ายๆเช้าๆเนี่ยชมอัลลอฮ์เยอะ ๆ, ๆนอนไปก็ชมอัลลอ์ไปแล้วก็ เอาดว้วย อ, อัลกอเบียูนุสไปใช้ด้วยล il ิละอิลลัลอันตะซุบฮนกอินนีุตมนัลลอลิมไม่ได้ขอให้ออกจากท้องปลาแต่อัลลอ์ให้ออกจากท้องปลาเห็นไครับสง่างามไมล่ทำลาท่านชมอัลลอฮ์เยอะๆไปน้องครับเอาต่อมาครับว่าอิมมิมวอียูกันสีบูกะถ้าหากเขาเหล่านั้นเนี่ยนะปฏิเสธ ท่านมูฮัมหมัดถ้าหากคนอาหรับมุสริกในในมักกะเนี่ยขวางท่านไม่เชื่อท่านนี่นะแน่นอนพอไม่เชื่อแล้วก็นบีก็เสียใจเหมือน ก, กันะแล้วคนเป็นหัวหน้าขวางนะใครอบับูละฮับเรตายสง่างาไมไหมล่ะเอาตายดีหรือตายไม่ดี <c oughs> นะอุสบิลาตายแบบโรคโควิดเลยเอ่ต่อมาครับ ก็ก่อจากการบัลลีนามิงกอบลีหิมบรรดาคนที่มาก่อนหนะ้าพวกเขาเหล่านั้นก็เคยปฏิเสธนบีของเขามาก่อนแล้วเช่นกันใช่ไหมถ้า น, นาบีจะถูกปฏิเสธชาวอาหรับมาหมดเลยคนที่มาก่อนหนะ้าท่านนี่มีใครบ้างที่สอนศาสนาแล้วก็ไม่มีอุปสรรคหรืมีไหมมีตะคนด่าทั้งนั้นแหละมีตะคนขวาง ฉะนั้นในยุคท่านก็ต้องมีคนขวางเตรียมใจเอาไว้ก่อนเลยนะสบายใจไหมทำดีแล้วฉะนั้นคนที่เปิดสอนสุนทานตามบ้านเนี่ยนะจะาชั้นราบรื่นนะเรื่องราบรื่นไม่มีครับโว่บางอย่จู๋บางไอย่างเต้บางนี่ล้วขวางนะ่ะดูเลยพี่น้องถ้าไม่ขวางเนะี่ยมาใจสุนนะสุนทานต้องถูกขวางหมด สอนแบบไม่เอาสุ น, นามานะี่ยอ่อนล่อไม่มีใครขวางเลยทําไปเถอะถูกแล้วพราเอาสุ น, นามาสอนปั๊บเองสร้างความแตกแยกมาออก่อนเอาภาษานี้มาก่อนเลยแบบคนในยุก่อนเลยเห็นไหมท่านคนที่ศึกษาสุนนะจริงๆนะครับอยู่ตรงไหนก็มีคนด่าถ้าอยู่แบบไม่ต้องสแสดงตัวเป็นสุนนะอยู่กับใครก็ได้ด้วยครับพี่น้องพวกเยอ ะ, อะต่อมาครับ จะอทุุมรุสูลุมบิลบายนาดบรรดารอซูลที่มาก่อนก่อนหน้านี่นะ mm hmm. เขาไม่เลยมาแปบ็บตัวเปล่านะมีคำพีติดมือมาด้วยทุกนบี mm hmm. อะมูซามีไหมมีอิบรอฮีมีไหมมี ม, mm hmm. มีคำพีติดมือมาเลย มีมีมั่วจิดาัดอีกมีมั่วจิดาัดตามนบีมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอเช่นนบีมูซามั่วจิดาัดไม้ถือใช่ไหมโยนไม้นี่กลายเป็นงูมันยังไม่เชื่อเลยใครไม่เชื่อก็ฟาโรห์อ่ะผัวหน้างอ่ะใช่ไหมแล้วก็ตายดีไหมล่ะอัลลอฮ์ตายจมน้ําตายศักดิ์สิทธิ์ทุนานเสียเชื่อตายพระจมน้ําอัลลอฮ์อาควาทเห็นยังครับ ไอ้โรคโควิดมาเนี่ยคนที่ขวางโซ น, นานาบีระวังไงดยยีเจอแน่นะครับแต่เจอชาเจอไวอีกเรื่องหนึ่ง <im itation> ต่อมาครับ <im itation> วาบิสซูบุตแล้วก็พาคำพีมาด้วยใบยีน่าแปลว่าชัดแจ้งชัดเจนมีงวดิดาตามลงมามาช่วยนาบีในการเผยแผ่อิสลามในยุคบรรก่อนที่ผ่านมาวาบิลกิตาบิลมูนีและมีคำภีที่อะไรนะมีคำภีที่ อะไรมูนทีที่เรียกว่าอะไรนะเป็นหลักฐานที่ชัดแจ้งเลยไม่มีข้อสงสัยในคำพีที่ผ่านๆมาตหมดยิ่งคำพีรกรุงอ่านในยุสุธานี่นะทุกอายะมีความหมายหมดเลยนะครับฉะนั้นอย่าไปติเสษทรัพหนึ่งอายะนะครับหนึ่ ง, นะงวักหนึ่งอายะสุนนนบีแต่และข้อเดี๋ยวก็นำมามาพิจารณาเอามาใชา้ปัญญาพี่น้องครับแค่อินบะพาลัมเนี่ย วิเคราะห์ อ, อินทพลามอย่างเดียวเนี่ยไปน้องเดืดอนละมาดอเนี่ยคนที่แก้ศินแก้บัวดโดยอินทพลามสองเม็ดสามเม็ดไปตามโดยน้าอุ่นแล้วไปน้มาดนั่นคือทั้งวันเนี่ยเขาอาจจะเพลียไปยังไงละ่ะพอกินอินทพลัมไปมามันจะฟื้นฟูหมดเลยของที่มันขาดโน้นขาดนี่ไปน้องกำลังวังชาจะกลับมาเหมือนเก่าเลยอินทพลาม ถ้าอินพารามอายวะยิ่งดีใหญ่ถ้าหาไม่เจออินพารามนีน่อะไรนะแถวตลาดยียมสมบัตนินี่อินพารามอะไรนะธรรมดานี่แหละที่อุดที่ให้อุดกินแล้วก็มากินได้อินพารามแบบนี้นะช่วยแก้ปัญหาได้ใช่ไหมนี่สุ น, นันนาบีอย่าไปดูถูกสุนันนาบีแต่นั้นพยายามทาน อาหารของหวานที่ไม่ผ่านไฟะนั้นกินของหวานก่อนกินอินทผลามก่อนตามด้วยน้ําอุ่นแล้วรีบไปน้ำมาดนะครับนี่ซูนานาดับบีนะโอ้แล้วก็ตอนซาฮุลกรรมการทยอย่างอื่นไม่กินนะอินิทาลามเจ็ดเม็ดไอเล็กเจ็ดเล็กเจตีพี่ต้องนึกให้ดีสิชั้นฟ้ากดเจ็ดชั้นแผ่นดินกดเจ็ดชั้นให้ไมาไปลองประตูก็มีอยู่เจ็ดชั้นประตูสวรรค์นะใช่ไหมรอโไม่มาก มหาสมุทรมีอยู่เจ็ดเลขเจ็ดนี่เต็มเลยนะของอัลลอฮ์หมดเลยนะเลขเจ็ดเลขไปนั่งคิดดูสิเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คนที่อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาก่อนเข้าสวรรค์ก็มีอยู่เจ็ดกลุ่มเหมือนกันเจ็ดพวกเหมือกันแต่ ว, ว่าหลังจะอธิบายให้ฟังสรุปแล้วว่าอาญานีเนะี่ยต้องการจะปลอบใจนบีว่าคนที่มาขวางนาบีนะครับนบีเ อ, อ๋ยไม่ต้องไปเสียใจนะ ทำใจไว้ก่อนนะอลัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังทําใจไว้ก่อนนะคนจะต้องขวางท่านแน่ๆจะนั่นซุนานะนบีก็ต้องถูกขวางตลอดนบีเลยขออัลลอฮอย่างนี้นักดอละลลฮ์โออลัลลอฮ์โปรดประทานความสดชื่นให้กับคนที่ท่องจําคัดิสและเอาคัดิสบทหนึ่งไปสอนต่อให้คนประเภทนี้ได้รับความสดชื่นจากอลัลลอฮ์ทำไมครับเพราะอัลลอฮ์นาบีรู้ว่า คนที่ขวางสุนัขนบีนั้นมีอยู่ตลอดเวลาในเมืองไทยนี่ก็เยอะทําไมสุนัขนบีเข้าสู่เราไม่ได้เพราะโต๊ะครูมันขวางไปไงไปน้องฉะนั้นมันเรื่องจริงทั้งหมดฉะนั้นต้องถูกด่าด้วยเป็นวาฮาบีคณะใหม่ตลอดเวลาครับก็วันนี้จบแค่นี้นะครับุาา น, น ว, าวมดวส وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين